ในวาระสุดท้ายของชีวิตของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะจากไปได้ทรงตัดสั่งสอนคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงยังประโยชน์ ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้เป็นคำเตือนเป็นคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าให้พวกเราจงระลึกถึงความตายกันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะความตายนี้เป็นสิ่งที่ จะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นความไม่ประมาทนอนใจในการที่จะทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้วถึงไปทำประโยชน์ให้ผู้อื่นต่อไปดังที่ได้เคยถามพระอนุนว่าอนุนวันวันหนึ่งเธอ ระลึกถึงความตายมากน้อยเพียงไรพระอา น, นุ์ก็ตอบไปว่าวันละสี่ห้าครั้งโดยประมาณเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอา น, นุ์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความตาย ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายให้เําลึกอยู่บ่อยๆจะได้ไม่ถูกความหลงมาหลอกให้ไปทําประโยชน์ที่ไม่เป็นประโยชน์จริงแท้ประโยชน์ที่จริงแท้ประโยชน์ที่สําคัญที่สุดก็คือการ ปวดเพื่องจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเพราะผู้ที่ได้ทําได้รับประโยชน์อันนี้แล้วก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจะได้พบกับบรมุสุขคือนิบานังปรมังสุขขัง มมมสุขของพระนิพพานเป็นผลที่เกิดจากการทำประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือให้มันทำกิจที่จะปลดเปื้องจิตใจให้หลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้มุ่งมาที่ตนเองก่อนไม่ให้ไปกังวลกับการไป สั่งไปสอนผู้อื่นสอนตนเองก่อนสอนตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วค่อยไปสอนคนอื่นต่อไปอย่างที่พระพุทธเจ้าพระองค์เองได้สรงปฏิบัติมาในระยะหกปีแรกของการบวชพระองค์ไม่ได้ไปสั่งสอนใคร พ่ อ, องค์มุ่งไปการมุ่งไปสู่การศึกษาหาความรู้ที่จะนำเอามาใช้ในการปลดปลื้งจิตใจให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ได้ทรงบรรลุ ถ, ถึงผลที่ต้องการแล้วคือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้ว พระ อ, องค์จึงได้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเช่นหลังจากที่ได้ทรงตัดสู่แล้วระยะเวลาตั้งแต่นั้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระ อ, องค์เป็นเวลาสี่สิบห้าปีด้วยกันพระ อ, องค์ไม่ได้ทำประโยชน์ของตนเลยแต่ทำประโยชน์ของผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่น ที่ได้แสดงไว้ในพุทธกิจห้าประการด้วยกันคือกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกวันมีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งในายามบ่ายอบรมสั่งสอนคาววดญาติโยมในายามค่ำอบรมสั่งสอนพระภิกษุสา ม, มเณร ในยามดึกอบรมสั่งสอนเทวดาทั้งหลายในยามเช้าก่อนจะทรงออกบิณฑบาต ท, ทรงแรงยานว่าสมควรที่จะไปโปรดสั่งสอนใครในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษนี่คือกิจสี่ข้อของพระพุทธเจ้าที่ทรงทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการสั่งสอน มนุษย์และเทวดาทั้งหลายส่วนกิจข้อที่ห้าก็คือทรงออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี่เรียกว่าพุทธกิจห้าเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญหลังจากที่ทรงได้ตัดสรูวได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมา ทำประโยชน์ให้กับตนเองแล้วเพราะประโยชน์ของตนได้ทำพร้อมแล้วเต็มที่แล้วได้รับผลแล้วไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปกิจที่เกี่ยวกับการทำประโยชน์ให้กับตนเองนั้นผู้ใดได้ถึงพระนิพพานแล้วไดหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนั้นจะไม่มีอะไรที่จะต้องทำอีกต่อไป แต่ผู้ที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด น, นั้นเป็นผู้ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับคำสั่งคำสอนได้รับความรู้วิธีของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ตดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีใครที่จะรู้วิธีนี้ได้ดีกว่าพระพุทธเจ้าเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สามารถค้นหาวิธีที่จะนําให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นะนอกจากนั้นเราไม่มีใครรู้เลยแต่พอพระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วแล้วำนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้รับรู้แล้วนําเอาไปปฏิบัติ ก็สามารถทําให้ตนเองได้หลุดพ้นออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายดายเพราะมีผู้รู้แล้วมีผู้นําทางแล้วก่อนหน้านั้นไม่มีผู้รู้ทางไม่มีผู้นําทางปฏิบัติไปอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสระรทรงหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วแล้วนำความรู้อันนี้มาเผยแผ่สัง่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสมีมีความพร้อมที่ที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็วนี่คือขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขั้นตอนแรกท่านต้องการให้เราศึกษาให้ฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเรารู้แล้ว เราก็นำเอาไปปฏิบัตินะเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลของการปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอเราได้หลุดพ้นแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตนี้ไปบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างอย่างสบายอย่างไม่มีปัญหาอะไร จะไม่มีปัญหาอะไรเข้ามาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเลยเพราะปัญหาต่างๆที่เคยมีอยู่นั้นได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วและจะไม่เอาปัญหาอะไรเข้ามาใหม่อีกก็จะมีแต่แสั่งสอนช่วยเหลือผู้อื่นให้เห็นทางให้รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้น อย ก, กองทุกต่อไปนี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญมาและเป็นวิธีที่จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นมีอายุมีอายุสืบทอดต่อไปได้อยู่เรื่อยๆตราบใดที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุแล้ว ตามนั้นจะมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมก็จะไม่มีการเผยแผ่ธรรมที่ถูกต้องธรรมที่เผยแผ่ที่เกิดจากการศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้จะไม่ได้เป็นธรรมที่แท้จริงจะเป็นธรรมที่ มีกิเลสตัณหาแฝงอยูอ่เพราะในใจของผู้ที่ศึกษานั้นยังไม่ได้กาจัดกิเลสตัณหาออกไปจากใจที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็เวลาสั่งเวลาสอนก็จะสอนไม่เหมือนกับผู้ที่ได้กาจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้ว การสอนก็จะไม่เป็นการสอนที่ถูกต้องผู้ฟังเมื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้รับผลอย่างที่อย่างที่ควรจะได้รับดังนั้นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ต้องรอให้ผู้ที่จะเผยแผ่นั้นบนรรลุผลก่อนปฏิบัติก่อนศึกษาก่อนเมื่อได้บรรลุผลแล้ว ถึงค่อยนำเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อหนึ่งการเผยแผ่ด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาจะเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการจะทำให้ผู้ฟังนี้ไม่ลังเลสงสัยและ จะทำให้ผู้ปฏิบัติตามได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั่งไว้ก่อนที่จะจากไปให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด อ, อย่าหลงมัวเมาอยู่กับการหาประโยชน์ชั่วคราวคือประโยชน์ทางร่างกายประโยชนจากการได้ลาบยศสรรเสริญ ประโยชน์จากการได้รับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นความสุขเป็นประโยชน์ชั่วคราวชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเพราะหลังจากที่ตายไปแล้วประโยชน์เหล่านี้จะไม่สามารถนําเอาติดตัวไปได้จะไปแบบตัวเปล่ า, ปลาไปกับต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่ยังไม่ได้รับการกาจัดนะเพราะการหาลาภยศสรรเสริญการหาความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายนี้ไม่ได้เป็นวิธีการที่จะกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่กลับเป็นการเสริมสร้าง ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีความโลภความอยากต่างๆมากขึ้นไปเรื่อยๆภพชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่มีน้อยลงไปวิธีที่จะทำให้ภพชาติน้อยลงไปและหมดไปได้นั้นต้องอยู่ที่การกำจัด ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญวิธีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญและทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั้นก็คือทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีสามส่วนด้วยกันคือหนึ่งทาน 2. สองศีล สามภาวนานี่คือทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทางนี้เราอ า, อาจจะแบ่งไว้เป็นสองขั้นก็ได้ขั้นแรกและขั้นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็คือการทําทานกับการรักษาศีล ขั้นที่สองก็คือการรักษาศีลและการภาวนาจะมีความแตกต่างกันเวลาเริ่มต้นนี้เราจะถูกสอนให้ทาบุญทาทานต่างๆแล้วก็ให้รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งนี้เราสามารถทาบุญกันได้อย่างเต็มที่อยากจะไม่ทอดพ้ะป่าไปทอดกระถิ้น ไปงานอะไรต่างๆของทางศาสนาไปร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารหรือทำอะไรต่างๆเพื่อเป็นการแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้เอาไปทำให้เป็นทานเสียเพราะจะทำให้ใจของเรานั้นพัฒนามีกำลังที่จะตัดกิเลสตัณหาต่างๆ ให้น้อยลงไปได้ตามลำดับการทำทานจะช่วยตัดที่กิเลสตัณหาที่ชอบใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆให้เอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขด้วยกิเลสตัณหานี้มาทำบุญทำทานแทนแล้วจะทำให้กิเลสตัณหาเหล่านั้นหายไปหมดไปแล้วจะทำให้จิตใจมีความสุข มากขึ้นและมีกำลังที่จะทำบุญที่สูงต่อไปได้เมื่อเราทำบุญทาทานรักษาศีลห้าได้อย่างสม่าเสมอเราก็จะมีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองคือการรักษาศีลแและการภาวนาได้การภาวนานี้จาเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดกันรักษาศีลห้านี้ยังไม่พอเพียง ยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหานั้นเล็นลอดออกไปทำเรื่องทาราวไปก่อพบก่อชาติได้ต้องอาศัยศีลแปดเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ออกไปทากิจกรรมต่างๆที่จะต่อภพต่อชาติต่อการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะได้ง่ายต่อการ ที่จะฆ่ากิเลสตัณหาด้วยการดึงกิเลสตัณหาให้เข้าสู่ใจเพื่อที่จะได้ใช้สติปัญญาทําลายต่อไปผู้ที่เข้าสู่ขั้นที่สองเราก็จะไม่ต้องทําบุญทําทานไม่ต้องรักษาศีลห้าให้เปลี่ยนเป็นรักษาศีลแปดไปส่วนบุญที่ได้จากการทําทานก็ให้เอา บุญที่เกิดจากการภาวนาแทนเพราะบุญของการภาวนานี้จะเป็นบุญที่สูงกว่าที่ดีกว่ากว่าบุญที่ได้จากการทำทานาถ้าจะไปทำเอาบุญที่เกิดจากการทำทานามันก็จะไปทำลายบุญที่จะได้จากการภาวนาเพราะจะไม่สามารถภาวนาได้นั่นเองเพราะเวลาทำบุญทำทานาก็มักจะต้อง ออกมาข้างนอกออกไปตามสถานที่ต่างๆมันก็จะขัดกับการภาวนาที่ต้องการให้อยู่ในสถานที่สงบสงดัดวิเวกไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะต่างๆให้อยู่ในที่ไม่มีเสรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะยั่วยวนกวนใจเพราะการไปพบไปเห็น รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะนี้จะทำให้จิตใจพุ้งซ่านขึ้นมาได้จะทำให้ยากต่อการทำใจให้สงบเพื่อที่จะได้เป็นเครื่องมือใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติได้เข้าสู่ขั้นที่สองแล้ว คือเข้าสู่ข่านรักษาศีลแปดและภาวนาแล้วก็ไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องการทำบุญทำทานถ้าจะทาถ้ายังมีทรัพย์เหลืออยู่ก็ทำแบบพรวดเดียวให้มันหมดปัญหาไปเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องมาคอยดึงใจของเราให้ออกมายุ่งกับเรื่องของ การทำบุญทำทานอย่างพระเนนที่ไปบวชอยู่ที่วัดป่าบ้านตาลหลวงตานี้ท่านจะไม่ให้พระเนนออกจากนอกวัดไปนอกจากเวลาไปบิณฑบาตเท่านั้นภารกิจต่างๆเช่นกิจนิมนต์ต่างๆนี้ไม่ให้ออกไม่ให้รับเพราะการรับจะทําให้ออกไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพระชนิดต่างๆที่เห็นแล้วจะเกิด ความกำหนัดยินดีเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาพอเวลากลับมาวัดแล้วใจไม่สงบเหมือนตอนก่อนที่จะออกไปนอกวัดกว่าจะทำใจให้สงบได้ก็เสียเวลาไปเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันได้และอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปก็ได้ หลวงตายเห็นโทษของการทำบำเพ็ญประโยชน์ของพระในในการที่ไปรับกิจนิมนตน์ต่างๆซึ่งยังไม่ใช่เป็นเวลาอันสมควรของพระผู้บวชใหม่ผู้ที่ยังต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติจิตตะภาวนาไม่ควรที่จะไปรับกิจนิมนตน์ต่างๆเพราะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถึงแม้ว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับศรัทธาญาตโยม ได้ทำบุญก็ตามแต่ประโยชน์ที่ให้กับญาติโยมนี้กลับมาเป็นโทษกับตัวพระเองถ้าไม่มีความสำรวมถ้าไม่ควบคุมใจไม่ควบคุมตาหูจมูกนิ้นกายให้ไปเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลสพัสต่างๆจะควบคุมยังไงมันก็ควบคุมไม่อยู่เพราะถ้ามันออกไปแล้วมันก็ต้องได้สัมผัสนะ หลองตาท่านจิงไม่ให้ออกไปไม่ให้รับกิ่นิมนต์นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ออกไปรับแล้วยังห้ามไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเข้ามาทางวัดในวัดด้วยเช่นห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้มีทีวีไม่ให้มีวิทยุไม่ให้มีหนังสือพิมพ์เพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลภะเหมือนกัน ถ้าดูหนังสูรพิมพ์เห็นภาพเห็นอะไรต่างๆมันก็ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้ทำให้เสียเวลาในการภาวนาในขณะที่ดูหรือฟังสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำให้จิตใจนั้นคึกคึกขนองขึ้นมาเกิดความกาหนัดยินดีเกิดความรักความคล้ความชอบขึ้นมาเกิดความอยาเกิดกิียดตัณหาขึ้นมา แทนที่จะช่วยดับกิเลสตัณหากับทำให้เกิดกิเลสตัณหาถ้าจะดูต้องดูสิ่งที่ทำให้ดับกิเลสตัณหาเช่นให้ดูภาพอสุภะต่างๆดูคนตายดูอวัยวะน้อยใหญ่ที่มีอยู่ในร่างกายซึ่งตามธรรมดาหนังสือพิมพ์ต่างๆเอกนิตยาสารต่างๆเขาจะไม่มีภาพเหล่านี้ให้ดู เขาจะเพ้นหาภาพสวยๆงามๆภาพที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสตัณหาความอยากได้ขึ้นมาการดูหนังสือพิมพ์และนิตยสารทางโลกจึงเป็นโทษต่อผู้บำเพ็ญต่อผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการฟังกับการรับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้แล้วก็จะทำให้ใจอดคิดปรุงแต่งไปไม่ได้ แทนที่จะทำให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งกลับไปทำให้มีความคิดปรุงแต่งเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆการภาวนาก็จะไม่เป็นผลจะล้มเหลวนี่คือโทษของการที่ไปทำภารกิจที่ไม่ควรกระทำสำหรับผู้ที่ อยู่ขั้นของการบําเพ็ญจิตตภาวนาและการรักษาศีลแปดต้องตัดกิจกรรมของขั้นแรกไปก็คือการออกไปทำบุญทำทานตามสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นบุญแต่มันเป็นบุญส่วนน้อยเป็นบุญส่วนยามที่จะมาทำลายบุญส่วนมากและบุญที่ละเอียด คือการบําเพ็ญกิตตภัณฑ์และการรักษาศีลแปนี่คือทางที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักแยกแยะว่าเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกนี้ทำบุญทำทานรักษาศีลห้านี้ไปได้อยากจะไปทำบุญที่ไหนไปเลยอยากจะไปอินเดียไปกราบสังเวชในะสถานสีก็ไปเลย อยากจะไปทอดพระป่าที่ต่างประเทศอยากจะไปทอดกระถินที่ต่างจังหวัดอยากจะไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ที่นั่นที่นี่ไปได้เลยทำได้เต็มที่เลยทำให้มันหมดไปเลยจะได้ไม่มีอะไรจะต้องทำอีกเมื่อไม่มีอะไรยะต้องทำแล้วจะได้มาทำกิจที่สำคัญกว่าที่ดีกว่าที่เป็นประโยชน์มากกว่าก็คือ การรักษาศีลแปดและการบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเข้าสู่ขั้นนี้แล้วก็ต้องหาที่สงบปักหลักไม่ไปไหนแล้วปักหลักอยู่ที่เดียวอย่างพระบ้านตานี้ถ้าไปอยู่ห้าปีแรกนี้ท่านไม่ให้ไปไหนถ้าไปก็ไม่ต้องกลับถ้าอยากจะอยู่ก็ไม่ต้องไปอยู่บันทีเดียวค็5ห้าปีไปเลยจิตมันจะได้มีหลักมีเกณฑ์ ไม่งั้นมันจะถูกตันหาความอยากต่างๆหลอกล่ออยู่เรื่อยอยู่ตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนู้นพอไปตรงนู้นก็อยากจะกลับมาตรงนี้มันก็มันก็เ ก, ก่งไปเก่งมาเหมือนลูกฟุตบอลถูกเตะไปเตะมาอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะสงบมันจะสงบได้มันต้องอยู่ที่เดียวหาที่ที่ดีสัปปายะที่สัปปายะคืออะไรที่สงบ สังหาวิเวกปราศจากเครื่องกวนใจยวนใจต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผพทพะบุคคลก็สัปเพ ะ, ะก็คือบุคคลก็เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันหมดไม่มาคอยมาลบกวนกันด้วยการมาสนทนากันมาลบกวนกันให้ไปช่วยทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ผู้บำเพ็ญ น, นี้จะไม่ลบกวนใคร เพราะการบำเพ็ญ น, นี้ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยทำด้วยตนเองแต่ถ้าทากิจอย่างอื่นนอกเหนือจากการบำเพ็ญ น, นี้บางทีจะต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วยก็จะไปรบกวนผู้ที่เขาภาวนาให้มาช่วยทากิจถ้ามีบุคคลอย่างนี้อยู่ก็ถือว่าบุคคลไม่สับายอะไม่ควรจะไปคลุกคลีอยู่กับบุคคลที่ไม่ภาวนา ให้ไปอยู่กับบุคคลที่ชอบภาวนาที่ไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบสังสรรไม่ชอบสังคมกันการภาวนานี้ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องงานสังคมงานสังคมนี้เป็นเรื่องของงานของกิเลสตัณหางานตัดกิเลสตัณหานี้เป็นงานที่ไม่ต้องสังคมไม่ต้องคุกขีกันให้ต่างคนต่างอยู่เวลาที่จะต้องมาทำกิจร่วมกัน ก็ต่างคนต่างทำไปไม่ต้องคุยกันไม่ต้องมาสังสารกันพระปฏิบัตินี้เวลาท่านมาทำากตเช่นปัดกวาดบินทบาทมากบฉันที่สารานี้ท่านจะไม่คุยกันถ้าจะพูดก็พูดแต่เรื่องที่จำเป็นที่จะต้องพูดเท่านั้นนอกกนั้นนวจะไม่พูดไม่คุยกันต่างคนต่างจเจริญสติไปในขณะที่ทาภารกิจต่าง การเจริญสตินี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาเพราะหัวใจของการภาวนาก็อยู่ที่การเจริญสตินั่นเองไม่ใช่อยู่ที่การเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นกิริยาของการเจริญบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิโดยไม่มีสตินี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการภาวนา ถ้าเดินไปแล้วปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเดินไปเท่าไหร่นั่งไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันสงบได้ดงนั้นการการภาวนาที่แท้จริงจึงอยู่ที่การเจริญสติเป็นขั้นแรกขั้นแรกของการภาวนาคือการเจริญสติไม่ว่าจะอยู่ในอิรยาบดใดไม่ว่ากําลังจะทําอะไรถ้ามีสติอยู่ กับงานนั้นหรือมีสติอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่าเป็นกําลังภาวนาอยู่ถึงแม้ว่ากําลังจะอาบน้ํากําลังซักผ้ากําลังรับประทานอาหารแต่ถ้ามีใจควบคุมมีสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับกิจกรรมที่กําลังทําอยู่หรือให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือพิจารณาตายรัก์อย่างนี้เรียกว่าเป็นการภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยบทใดไม่ใช่ว่าจะตั้งอยู่ในท่านั่งสมาธิหรือท่าเดินจงกรมเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการภาวนาถ้านั่งสมาธิหรือเดินจงกรมด้วยเจตที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่างนั้นก็เป็นเพียงแต่กิริยาไม่ได้เป็นการภาวนาที่แท้จริงเพราะ ใจที่เป็นผู้ภาวนานั้นไม่ได้ภาวนาใจมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เกิดอารมณ์วุ่นวายสับสนขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ภาวนาแล้วผู้ปฏิบัติจึงต้องเข้าใจหลักของการภาวนาว่าการภาวนานี้เป็นการควบคุมจิตใจให้ระงับจากความคิดปมแต่งต่าง เพื่อจะได้ระงับความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพราะความโลภความอยากต่างๆนี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งเป็นเครื่องมือถ้ามีความคิดปรุงแต่งแล้วความโลภความโกรธความหลงมักจะตามมาเสมอดังนั้นถ้าอยากจะหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวก็ต้องหยุดด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ค่อยให้ใจนี้จดจอ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้ากำลังทำภารกิจอะไรต่างๆก็ให้จดจอ่ออยู่กับภารกิจการงานนั้นๆหรือถ้าไม่สามารถที่จะจดจอ่ออยู่ได้ก็ใช้คำบริกรรมแทนก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปให้ใจจดจอ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อความคิดทำปรุงแต่งไม่ทำงานความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถทำงานได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือขั้นขั้นต้นของการบาเพ็ญจิตตภาวนาก็คือการเจริญสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญมากเป็นสำคัญที่สุดในการบาเพ็ญภาวนาและต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุน ถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่สามารถเจริญสติได้เพียรอะไรก็เพียรสร้างสตินั่นเองมันสร้างสติมันบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆมันจดจ่อดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กระทำอะไรก็ให้จดจ่ออยู่ดูกับลมหายใจเข้าออกสำหรับผู้ที่ใช้การดูร่างกายเป็นการเจริญสติ เวลาที่นั่งอยู่เฉยๆเช่นเวลานั่งสมาธินี้ก็ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็นที่ผูกใจเป็นที่ตั้งของสติให้เฝ้าดูลมเขาลมหายใจเข้าออกโดยที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้ใจยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้ใช้คําบริกรรมแทนหรือให้ใช้การสวดพสูตร หรือสวดมนต์แทนไปก่อนแสดงว่าสติตอนนั้นไม่มีกําลังพอที่จะดึงให้ใจเข้าดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ต้องใช้การสร้างสติขึ้นมาด้วยกานบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์หรือด้วยการสวดสวดพระสูตรท่องพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งแล้วใจก็จะกลับเข้ามาสู่ความ อยู่กับเรื่องที่เราจะให้อยู่ได้ให้มาจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกได้หรือถ้าไม่สามารถสวดได้ก็ใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเจริญสติอีกแบบหนึ่งฟังเทศฟังธรรมไปแล้วใจถ้าจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมก็จะได้สติกับคืนมา เมื่อมีสติแล้วก็สามารถที่จะกลับมาดูลมหายใจเข้าออกได้หรือบริกรรมพุทโธพุทโธได้นี่คืออุบายขั้นต่างๆของการเจริญสติผู้ปฏิบัติจะต้องสังเกตดูว่าตอนนี้ใจเป็นอย่างไรฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยสติมากหรือสติน้อยถ้าสติน้อยให้เพ่งดูลมหายใจไม่ได้ ให้บริการพุดโธไม่ได้ก็อาจจะต้องฟังเทศฟังธรรมไปก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนแล้วพอสติกับคืนมาใจสงบลงความคิดปรุงแต่งน้อยลงไปหรือหายไปก็ค่อยกลับมาดูลมหายใจเข้าออกต่อไปหรือบริกรรพุทธโธต่อไป ทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วทุกอย่างก็จะดับไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปเวทนาความรู้สึกรับรู้ร่างกายต่างๆก็จะหายไปเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เรียกว่าเอกคตารุมอยู่กับความว่ามีอุเบกขาเป็นที่ตั้งของใจ อุเบกขาก็คือความปราศจากอคติทั้งสี่คือความรักความชางังความกลัวความหลงตอนนั้นจะไม่มีอยู่ภายในใจของจิตที่เข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เรียกว่าสำ ม, มาสมาธิเพราะจะเป็นสมาธิที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาเพราะจะมีอุเบกขา เป็นเครื่องมือไว้ใช้ต่อสู้กับความรักความชางังความกลัวความหลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่จิตออกจากสมาธิมาแล้วมาคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆหรือมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเกิดความรักความชางังความกลัวความหลงแต่ใจที่มีสมาธิที่มีอุเบกขาติดออกมาจะมี กำลังที่จะต้านอาคติทั้งสี่นี้ได้ถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะทำลายมันได้ก็พอที่จะสู้กับมันได้ไม่ถึงกับที่จะทำให้เสียหลักลงไปทันทีพอที่จะมีเวลาให้ใช้ปัญญาเข้ามาช่วยในการกำจัดอคติทั้งสี่ได้นี่คือสมาธิที่จำเป็นต่อการเจริญปัญญา ที่จะเอามาใช้ในการทําลายอกติทั้งสี่หรือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจอย่างถาวรจําเป็นจะต้องมีอุเบกขาที่ได้จากสมาธินี้มาเป็นผู้สนับสนุนในการเจริญปัญญาในการใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาหรืออคติทั้งสี่คือความรักความชางังความกลัวความหลงนี้การภาวนา การเจริญสติก็เพื่อให้ได้สัมมาสมาธิอันนี้ให้จิตเข้าสู่อบปนาให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาแล้วก็ความสุขที่ได้จากความสงบความอุอเบกขานี้ก็จะเป็นอาหารหรือเป็นกําลังของใจที่จะทําให้ตัดความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้ ถ้าเป็นวิจฉาสมาธิก็จะเป็นความสงบที่ไม่สักแต่ว่ารู้แต่กลับไปรับรู้นิมิตต่างๆอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิเพราอจิตรวมแล้วไม่อยู่เฉยๆไม่สักแต่ว่ารู้กลับไปรับรู้นิมิตต่างๆเป็นรับรู้กายทิพย์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ไปท่องเที่ยวในนรกหรืออะไรต่างๆหรือไป มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอภิญญาเออ่านพาระจิตของผู้อื่นได้รัลึกชาติได้มีตาทิพหูทิพเห็นสิ่งที่คนธรรมดาตาธรรมดามองไม่เห็นได้ยินเสียงที่หูธรรมดาไม่ได้ยิน อ, อันนี้เป็นผลที่ได้จากอุปจาระสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อการบําเพ็ญทางด้านปัญญาเพื่อทำลายกิเลสตัณหาตัวที่สร้างภพสร้างชาติให้กับจิตใจถ้าไปทางอุปจารสมาธิเวลาออกจากสมาธิมานี้จะไม่มีกำลังไม่มีอุบเบกขาติดออกมาพอสัมผัสรับรู้อะไรก็จะไหลไปตามอากติทันที เห็นนักก็รัก ท, ทันทีเห็นชังก็ชัง ท, ทันทีเห็นกลัวก็กลัว ท, ทันทีเห็นหลงก็จะหลง ท, ทันทีแต่ถ้าเป็นสัมมาส ม, มาธิมีอุเบกขานีจ้จะไม่หลงจะไม่ไหลไป ท, ทันทีจะมีแรงต้านและจะใช้ปัญญามาช่วยทําลายได้ด้วยการพิจารณาอสุภะด้วยการพิจารณา ใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นผู้ที่บําเพ็ญสมาธิต้องระมัดระวังต้องรู้จักว่ามีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการบําเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานส่วนอุปจารสมาธินี้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการบําเพ็ญ เพื่อมรรคผลผนิพพานแต่จะเป็นประโยชน์กับกิเลสตัณหาได้เพราะผู้ที่มีอภิญญามักจะหลงตัวเองหลงกับความรู้ความสามารถพิเศษของตัวเองหลงคิดว่านี่คือผลคิดว่าเป็นมรรคเป็นผลแล้วก็จะไม่สนใจที่จะออกไปทางปัญญาก็จะสนใจอยู่กับการสร้างอภิญญาเหล่านี้ แล้วใช้อภิญญาเหล่านี้ไปตามอำนาจของความโลภความอยากต่างๆเช่นผู้ที่มีอภิญญามีความรู้นี้มักจะไปอาชีพเป็นหมอดูกันเป็นผู้ทํานายทายทักสิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้จากการใช้ความรู้เหล่านี้มาเลี้ยงชีพมาตอบสนองตันหาความอยากต่างๆ ผู้บเพ็ญจึงต้องระมัดระวังว่ากําลังไปในเททางไหนไปสู่มรรคผลหรือไปสู่การติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไปทางอุปจารสมาธิแล้วรับรองได้ว่าจะไปทางปัญญาไม่ได้ไปทางมรรคผลนี้ผ่านไม่ได้ถ้าเรามีนิ ส, สัยในทางนี้เราแก้ได้เวลาจิตจะออกไปเราดึงกลับมาได้ถ้าเรามีสติ เราดึงกลับมาให้อยู่แต่สักแต่ว่ารู้ได้ไม่ให้ไปตามรู้เรื่องราวต่างๆอันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติไม่มีครูบาอาจารย์จะไม่สามารถแยกแยะสมาธิทั้งสองรูปแบบนี้ได้ว่าอันไหนเป็นคุณและอันไหนเป็นโทษแล้วส่วนใหญ่ก็มักจะไปติดกับสมาธิที่เป็นโทษต้องมีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมาแล้วจะช่วยได้มากพอลูกศิษย์คนไหน ได้อุปจารสมาธิมาเล่าให้ท่านฟังนี้ท่านจะเตือนทันทีท่านจะบอกทันทีนว่าอย่าไปหลงกับนิมิตต่างๆอย่าไปหลงกับอภิน ญ, ญาความรู้ความสามารถพิเศษต่างๆเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดับทุกได้ให้กลับเข้าไปในอัปปนาสมาธิให้กลับไปที่อุเบกขาให้กลับไปอยู่ที่สัคตวา ร, รูแล้วให้อยู่ในนั้นให้นา น, น, าน และให้กลับเข้าไปบ่อยๆจนชำนาญจนสามารถเข้าไปได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วค่อยเอามาออกไปทางปัญญาเพราะเวลาการเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งแล้วถ้าใช้ไปมากๆก็อาจจะเกิดความฟุ้งซ่านเลยเถิดได้ถ้าเข้าสมาธิไม่ได้จิตก็จะไม่สงบจิตก็จะทุกข์วุ่นวายใจได้แต่ถ้ามีความชำนาญในการเข้าสมาธิ พพิจารณาทางปัญญาไปจนถึงขีดที่รู้ว่าเริ่มฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถหยุดได้ดึงจิตกลับเข้ามาสมาธิพักจิตให้เป็นอุเบกขาได้แล้วค่อยออกไปทางปัญญาใหม่นี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญจิตตภาวนาขั้นตอนแรกต้องเจริญสติเพื่อให้ได้อัปปนาสมาธิถ้าได้อุปจารสมาธิก็ต้องอยาตามไป เงกลับมาให้อยู่ในอัปปนาสมาธิแล้วพอเข้าออกสมาธิได้อย่างช่ำชองอย่างชํนานาญต้องการจะเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วค่อยออกไปทางปัญญาต่อไปไปพิจารณาตายรักไปพิจารณาอสุภะแล้วจิตก็จะมีปัญญาที่สามารถที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆ ที่เป็นตัวฉุดลากให้ใจไปเกิดแก่เจ็บตายได้สมาธิหรือสตินี้ไม่สามารถที่จะทำลายตัณหาได้อัปนาสมาธินี้เพียงแต่กดเอาไว้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้สิ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหา ตัวที่เป็นต้นเหตุของภพชาติของการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างท้าวอก็คือปัญญาปัญญาจะไปถอนรากโคนของกิเลสตันหาคือความหลงความหลงคืออะไรคือความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองกลับไปเห็นนิจจังสุขขังอัตตาแทนความจริงสภาวธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ผู้ที่มีความหลงครอบงำใจอยู่นี้จะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่กลับจะไปเห็นว่าเป็นนิจจังคือถาวรเที่ยงถาวรสุขขังเป็นสุขอนัตตาเป็นตัวเราเป็นของเราพอเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเยอะความ ติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดความอยากให้สิ่งเหล่านั้นถาวรให้เป็นสุขให้เป็นของเราไปนานๆไปเรื่อยๆพอเกิดความอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้ไปหาสิ่งที่ไม่เที่ยงใหม่พอเสียสิ่งนี้ไปก็ยังอยากได้อยู่ก็กลับไปหาใหม่เสียแฟนคนนี้ไปพอแฟนคนนี้จากไปก็ไปหาแฟนคนใหม่ เพราะความอยากที่จะมีแฟนยังมีฝังอยู่ในใจยังมองไม่เห็นว่าการมีแฟนนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่าจะต้องเสียไปเวลาเสียไปก็ทุกข์แล้วก็ต้องไปหามาใหม่หามาใหม่เดี๋ยวก็เสียใหม่เสียใหม่ไปก็หามาใหม่มันก็เลยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกไปพอไม่สามารถตัดความอยากได้จะตัดความอยากได้จะต้องเห็นว่าเป็นทุกข์นะ เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นว่าไม่ใช่ของเรานี่คือการเจริญปัญญาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยไปผูกพันด้วยไปยึดไปติดด้วยต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักถ้าเห็นว่าเป็นตายรักแล้วจะปล่อยเพราะไม่มีใครต้องการความทุกข์กันถ้ารู้ว่าสิ่งที่ตอนเองยึดติดนี้เป็นความทุกข์ใครจะไปยึดติดกันถ้าเราจับงูพิษแล้วเราไปคิดว่าเป็นปลาไหลล้วก็จะจับมัน แต่พอคนที่เขาดูงูเป็นเขามาบอกว่าเป็นงูเหา่าั้นเราจะปล่อยทันทีเราจะไม่อยากจะจับมันไว้ในมือแล้วเวียงมันทิ้งให้ไกลไปเลยตอนต้นคิดว่าเป็นปลาไหลคิดว่าเป็นอาหารพอคนที่เขาดูงูเป็นมาบอกว่าเป็นงูเหา่าทั้งนั้นก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้ฉันใดพอเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ มันเป็นงูพิษนะมันไม่ใช่เป็นปลาไหลมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขมันเป็นอนิจจังมันไม่เป็นนิจจังมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นของเราพอเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็จะสลัดทิ้งไปหมดเลยราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลินกายนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวาน ตาที่มองไม่เห็นเพราะถูกความหลงครอบงามอยู่จึงต้องใช้ปัญญาหมั่นพิจารณาให้เห็นให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราการพิจารณาก็เช่นนั่งกายก็ดูสิมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันมีการจเจริญเติบโตตินเติบโตแล้วหลังจากนั้นก็มีการเสื่อมมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย พอมันตายแล้วมันก็หายไปจากเรามันเป็นของเราเมื่อไหร่มันเป็นขณะที่มันมีอยู่เท่านั้นเองแล้วมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเวลามันไปนี่มันสุขแล้วมันทุกข์เวลามันแก่มันสุขแล้วมันทุกข์เวลาเจ็บเวลาตายมันสุขแล้วมันทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นชัดเจนว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา สุขเวทนาอยากจะให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่อยู่ได้แั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปทุกขเวทนาเวลามันมาไม่อยากให้มันมามันก็มาอยากจะให้มันไปมันก็ไม่ไปมันเป็นของเราตรงไหนถ้ามันเป็นของเราเราก็ต้องสั่งมันได้นี่พิจารณาให้เห็นแล้วเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดมันมันจะเป็นยังไงก็ไม่ไปยุ่งกับมันเพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีมันเราไม่ตายเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญานี้เรามีที่พึ่งของเราเราก็จะปล่อยที่พึ่งปลอมที่เราหลงไปยึดเป็นที่พึ่งได้ก็คือขันห้าร่างกายของเราความรู้สึกทางกายความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยวางได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะอยู่กับความสงบ ความสงบนี่แหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงถ้าเราปล่อยได้เราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาตัวที่เป็นต้นเหตุที่ฉุดลากให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดไดไ้เมื่อไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปนี่คือกิจกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทากันเป็น เป็นกิจของเราประโยชน์ของเราตรงยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดให้รีบสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจด้วยการทําบุญทําทานถ้าเป็นจุดเริ่มต้นก็ทําทานรักษาศีลห้าไปพอทําทานจนไม่มีอะไรจะทําแล้วไม่มีเงินทองจะทําแล้วก็ ขยับขึ้นสู่การภาวนาการรักษาศีลแปลดต่อไปเพื่อจะได้บําเพ็ญกันอย่างเต็มที่การภาวนานี่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทําแบบสองวันทีสมเช้าชามเย็นชามอย่างนี้ใช้ไม่ได้จะไม่ได้ผลจะได้ผลจะต้องทํำตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนถ้ามัวทําไปสองสามวันแล้วก็ออกไปทําผ้าป่าออกไปทํากรถินออกไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ อันนี้มันก็จะทำลายเริ่มมาขัดจังหวะของการบำเพ็ญจิตตะภาวนาไม่ให้ไม่ให้ต่อเนื่องเมื่อมันไม่ต่อเนื่องผลมันก็จะไม่เกิดผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักขั้นตอนของตน ว, ว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนกำลังอยู่ขั้นตอนของการทำทานรักษาศีลก็ทำไปพอเข้าสู่ขา้นภาวนาแล้วก็ต้องหยุด การทำทานการรักษาศีลห้าเปลี่ยนเป็นการรักษาศีลแปแล้วเปลี่ยนการทำบุญทำทานมาเป็นการภาวนาแทนถ้าทำอย่างนี้แล้วจิต ก, ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับจะบรรลุทำขั้นต่างๆขึ้นไปได้ตามลําดับจนถึงขั้นสูงสุดจนถึงขีดที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลังจากที่ได้ทำกิตของตนได้สําเร็จรู้เรื่องไปหมดแล้ว ไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทำอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยมาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงตัดสัลโได้ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงมาประกาศพระธรรมคาสอนสั่งสอนญาติโยมสั่งสอนพระเนรสั่งสอนเทวดาและบุคคลที่พึงที่จะไปโปรดในวันในในแต่ละวัน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 ขอให้ท่านจงนำเอาคำสอนนี้มาเป็นคติเกือนใจสอนใจให้เราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทให้เราหมั่นปฏิบัติทำที่พทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันคือทานศีลและภาวนาให้ทำไปจนกว่าเราจะสำเร็จถึงขั้นที่เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วขั้นนั้นแล้วละ่ะจึงถ้าได้ถึงขั้นนั้นแล้วจึง ถึง่าเป็นเวลาที่เราจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวหาตูราปาริภูเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปฏติต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโคลวีนัสสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวา อาพิวาทานศสิลิตะนิจจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนโสอสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เราเลิกประชมุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาใหดู่ากนคการการท่านอาจารย์ครับ <c oughs> ถ้าสมมติเราปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นพระโสดาบันขั้นที่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินี้ครับคือผมสงสัยว่า เราจะมียาญอย่างรู้เลยว่าเราจะเกิดอีกไม่เกินจะชาติคือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับหรือว่าเราจะแค่ประมาณการว่าเราจะมีการเกิดอีกแต่ว่ากี่ชาตินี้เราก็อาจจะไม่ได้นับอย่างนั้นท่านความจริงก็มันไม่มันอยู่ที่เราถ้าเราปฏิบัติต่อไปมันชาตินี้มันก็หมดได้ชาเร็วมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราแต่ คำว่าเจ็ดชาตินี้ก็เป็นคำที่พุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดไว้เองว่าไม่เกินเจ็ดชาติแต่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่ายังไงก็หลุดพ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วพอได้แผนที่แล้วถ้าเป็นขับรถก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วก็อยู่ที่ว่าขับไปแล้วรถยางไม่แตกน้ำมันไม่หมดก่อน ก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางแยก mm. เพียงแต่ขับไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับเวลาอยู่ที่ที่ถนนด้านล่างทางเดินมันมีทางแยกมันมีอะไรซึ่งอาจจะทำให้หลงทางได้แต่พอขึ้นทางโดวนแล้วมันรู้ว่ามันไม่มันไม่หลงแล้วมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ว่าจะเหยียบเท่าไหร่แล้วก็น้ำมันพอหรือไม่ อย่างแตกหรือไม่ดังนั้นเองที่อยากจะทำให้ช้าหน่อยเร็วหน่อย mm hmm. แต่ถึงแน่ๆคำว่าโสดาก็แปลว่ากระแสกระแสสูญพานิพาน mm hmm. โซดาปณะก็ผู้ผู้ที่เข้าสู่กระแสของพานิพานนั่นเอง mm hmm. เมื่อเราเข้าถึงกระแสแล้วกระแสนี้ก็จะพาไป mm hmm. ถึงจุดหมายปลายทางอยู่ที่ผู้พายเหลือว่าจะพายช้าพายเร็วถ้ขยันพายเดียวเดียวก็เสร็จ ถ้าขี้เกียจพายพอยให้มันไหลไปเองมันก็ช้าหน่อยก็คือเอาความรู้สึกว่าเราเข้ากระแสเป็นหลักแตแทนที่จะไปนับว่าอีกกี่ชาติอันนั้น ไ, ไ, ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญ <Okay. S 1> ออขอบคุณครับส่งไปคุณยายว่ามาในการพิจารณาที่ผ่านมาคือทำเหมือนว่าตัวเองตายพิจารณาตัวเองตาย แล้วก็พิจารณาว่าจุดเด่นในร่างกายเราที่ตายที่จะขึ้นอืดก่อนก็คือท้องต่อจากนั้นก็พิจารณาว่าการเชื่อมโยงก็คือมือแล้วก็เทา้าแล้วก็ปากแล้วก็หูแล้วก็จมูกแล้วก็ปากต่อจากนั้น ก็พิจารณาต่อไปว่าสังขารในร่างกายเรามีต่ำมีสูงขอบอกที่ต่ำกรอนก็คือคือดวงตาแล้วก็ลำคอแล้วก็ปลาก็แล้วพิจารณาต่อไปอีกที่สูงก็คือได้แก่หัวเขา่า แล้วก็หน้า อ, อกแล้วก็คือคือหน้าผากของเราแล้วก็พิจารณาตออ่อว่าในสังขงารของเรายายไม่ต้องพิจารณาอย่างนั้นหรอกพิจารณาว่ามันตายมันกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปก็พอราคาจะไม่เสียเวลาให้มันไปนะแล้วถ้าถมมุดว่ายังมีอีกข้อนึงถ้าพิจารณาว่าเอิด ได้ขึ้นอื่นแล้วเดี๋ยวมันก็พองออกมาแล้วมันก็แตก แ, <ล>แล้วเดี๋ยวน้ํา<พ> อ, อะไรมันก็เน่ามันก็เปื่อยผุไปยันที่สุดมันก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปฝากกรทูถ้าถามนะว่าพิจนาถูกไเนี่ยถ้าถอ า, าจารย์บอกว่าเออก็เอาให้มันลงไปดินน้ําลมไฟให้มันกลายเป็นเอ่เอเป็นดินเป็นน้ํากระดูกก็แห้งกรอบไปถ้าเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปให้รู้แค่นี้ก็พอะนะ คือที่ที่ผ่านมาค่ะมีสองครั้งค่ะที่ที่หนูฝันเหมือนฝันเห็นศพค่ะฝันเห็นผีประมาณนี้ค่ะหนูก็รู้สึกกลัวค่ะหนูอยากทราบว่าควรจะพิจารณาอย่างไรดีค่ะคือการเห็นซากศพนี้ถือว่าเห็นมรรคเพราะว่าซากศพนี้มันจะทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและปล่อยวางร่างกายได้ว่ามันในที่สุดมันก็จะต้องเป็นซากศพ แล้วก็ต้องเผื่อยผ้กลายเป็นดินไปไม่ใช่ตัวเราของเราการเห็นภาพแบบนี้เป็นเป็นเป็นมครคคือเป็นประโยชน์ต่อาการเจริญปัญญาผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางร่างกายเมื่อเห็นภาพแบบนี้สิ่งที่ควรจะทาก็คือพยายามรักษาภาพนั้นให้อยู่ในใจไปเรื่อยๆหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้นึกถึงภาพนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืม พเพื่อทตือนใจว่าเนี่ยคือล่างอนาคตของร่างกายของเราเป็นอย่างนี้อย่างที่วัดหนึ่งท่านเอากระดูกโครงกระดูกมาแขวนไว้ที่ศาลาแล้วมีป้ายติดไว้ที่โครงกระดูกอยู่ที่พูดอยู่ที่ที่โครงกระดูกเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าคืออนาคตของท่านท่านคืออดีตของข้าพเจ้าคือให้เราเห็นความเป็นจริงของร่างกายปัจจุบันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ก็จริง จะสวยจะงามจะแข็งแรงอย่างไรก็ตามต่อไปอนาคตมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นให้เราคิดอยู่เรื่อยเพื่อเ ร, เราจะได้ปรงสังเวทไม่ยึดไม่ติดกับความแข็งแรงความสวยงามของร่างกายเพราะร่างกายนี้ต่อไปมันก็จะต้องเสื่อมและจะต้องหมดไปถ้าเราไม่ปรงไม่ปล่อยเวลามันเสื่อมเราจะกลัวเราจะทุกข์แต่ถ้าเรา สอนใจอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่านี่คือความจริงของร่างกายพอมันเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดมามันก็จะไม่ทุกข์มันจะเฉยๆได้การปฏิบัตินี้ก็เพื่อให้เราไม่ทุกข์กับความเป็นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่ถ้าเราไม่เห็นภาพของมันที่แท้จริงเวลามันโผล่ขึ้นมาเราจะรับไม่ได้เช่นเวลาเราส่องหน้ากระจกพอเห็นหนังเหวี่ยงสักหนังยศขึ้นมาหน่อยก็ทุกข์แล้ว เห็นผมหงอกขึ้นมาสักเส้นหนึ่งก็ทุกแล้วนั่นเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเขียวต้องย่นต้องหงอกต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราจึงต้องพยายามนึกถึงภาพเหล่านี้อยู่เรื่อยๆการที่เรานั่งสมาธิแล้วมีภาพเหล่านี้ผล่มาถือว่ามันเป็นผลบุญในอดีตเราคงเคยในอดีตชาติเคยพิจารณาเคยเห็นความตายเห็นซากศพมาจนมันฝังอยู่ในใจ พอเรานั่งสมาธิมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเรามีความมุ่งมั่นความปรารถนาที่จะเจริญมากจเจริญปัญญา<ม>เห็นภาพเหล่านี้เป็นเรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญเป็นประโยชน์<ม>เพราะว่าบางคนนี่ต้องอุตส่าห์ไปที่ป่าชา้าไปที่โรงพยาบาลไปดูเขาผ่าศพถึงจะเห็นนี่เรามีภาพมาให้เราเห็นในสมาธิเลยอันดานว่าเราโชคดี แต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักของธรรมหลักของการหลุดพน้นเราก็จะกลัวเราจะไม่ชอบภาพเหล่านี้ถ้ายังกลัวอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงเหมือนก็แล้วกันเวลาจเจอภาพเหล่านั้นก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่กับพุทโธไปก่อนภาพเหล่านั้นเขาไม่มีคุณมีโทษอะไรกับเราเขาไม่สามารถมาทำร้ายเราได้สิ่งที่ทำร้ายเราเองก็คือความหลงของเราที่กลัวไม่อยากจะเห็นภาพเหล่านั้นเท่านั้นเอง ถ้าเรากลัวเราก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปอยู่ที่ภาพให้อยู่ที่พุโทโธถ้าอยู่ที่พุโทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วความกลัวก็จะหายไปไว้เราให้ใจเราสงบมีกําลังแล้วค่อยมาพิจรารณาภาพเหล่านั้นต่อไปอ๋อจะเข้าใจไหมแต่ว่าเมื่อกี้หนูหนูไม่ได้นั่งสมาธิแล้วก็เห็นแต่ว่าหนูฝันอ่าก็เหมือนกันฝันก็ได้เหมือนกัน กลาดน้ำมศการพระอาจารย์ลูกมีเรื่องจะเรียนถามว่าก่อนที่ลูกจะนั่งสมาธิเนี่ยลูกจะสวดมนต์ก่อนแต่ก่อนที่จะสวดมนต์เนี่ยใจก็ไม่อยากจะสวดมนต์นานเพราะถ้าสวดมนต์นานๆก็จะไม่มีเวลานั่งทําสมาธาิไม่รู้ว่าถ้าเราจะตัดบทสวดมนต์ออกและเพิ่มการนั่งสมาธินี้พระอาจารย์จะว่าอย่างไงดีครับอ๋อแล้ไม่มีปัญหาการสวดก็เป็นการนั่งสมาธิในตัวอยู่แล้ว ที่ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของใจว่าต้องการใช้คําสวดทำใจให้เบาให้สงบก่อนหรือว่าถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้บางคนนั่งสมาธิเลยไม่ได้ก็เลยต้องสวดก่อนความจริงเวลาสวดก็สวดในท่านั่งสมาธิไปเลยก็ได้พอสวดไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะหยุดสวดล้วก็หยุดแล้วเราก็ดูลมหายใจหรือพุโทโธไปต่อเลยก็ได้ สำหรับคนที่ยังดูลมไม่ได้ยังพูดโธไม่ได้ก็ต้องอาศัยการสวดไปก่อนนั้นขึ้นอยู่กับใจของแต่ละคนว่าจำเป็นจะต้องอาศัยคำสวดนำหน้ามากน้อยเพียงไรมันก็รถรถที่มันสตาร์เองไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนผลักคนดันบางทีก็ต้องผัดดันให้มันวิ่งเร็วหน่อยมันถึงจะสตาร์ตติดบางครั้งก็พอมันวิ่งนิดเดียวมันก็ติดแล้วอันนี้ใจก็เหมือนกันใจบางคนบางคนเวลาเริ่มต้นนี้มัน มันฟุ้สซ่านมันคิดอยู่เรื่องนั่นเรื่องนี้พอให้มันคิดอยู่กับเรื่องเดียวมันอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องให้มันสวดไปก่อนให้มันอยู่กับการสวดมนต์ไปก่อนเฉะนั้นเราต้องดูเอาเองได้ทั้งสองอย่างสวดมากสวดน้อยหรือไม่สวดเลยก็ได้ไม่สําคัญถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยก็นั่งไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วถ้าถ้าเรานั่งสมาธิเสร็จออกจากสมาธิเราจําเป็นทุกครั้งไหมคะที่ต้องแผ่เมตตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นการเป็นการคล้ายว่าซ้อมใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไม่คอยเตือนใจบางทีเวลาเราโกรธแล้วเราจะไปพูดไม่ดีทำไม่ดีได้แต่ถ้าเราคอยเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดีเวลาใครทําให้เราโกรธเราต้องให้อภัยเขาไม่ไปพูดร้ายไม่ไปทาร้ายเขา อันนี้ก็เป็นกะสิ่งที่ดีที่เราควรจะทำนะอาจจะต้องทำไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาออกจากสมาธิเท่านั้นเวลาเจอใครนี่พยายาม น, นึกถึงการแผ่เมตตก่อนเลยเวลาใครทำให้เราไม่สบายใจพอใจต้องนึกถึงคำเมตตก่อนเลยนั้นทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่ออกจากสมาธิมาเท่านั้นออกจากสมาธิมาจะไม่ทาก็ได้ถ้าเราไม่ลืมถ้าเรา ถ้าเรามีความเมตตายอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะกาบเรียนถามอีกสักข้อหนึ่งการทำบุญเนี่ยลูกกับสามีจะไปทำบุญด้วยกันตลอดอแล้วทุกครั้งจะเอาเงินจากกระเป๋าของของเราเป็นคนออกแล้วสามีจะได้บุญไหมคะอย่างนี้แล้วแต่ว่าเงินนี้เป็นของคู่กันหรือเปล่าเป็นของถ้าเป็นของร่วมกันเขาก็ได้บุญถ้าเขาว่าอนุโมทนาเขายินดีด้วย แต่ถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะไม่ได้บุญ oh, <okay. S 2> แต่ถ้าเป็นของเราเอง oh. เขาก็จะไม่ได้บุญเลย oh. อันนี้หาเงินมาแบบทำอาชีพเดียวกันแล้วก็ hmm. หาเงินมาร่วมกันแล้วก็ไปไหน uh huh. ทำบุญก็ไปด้วยกันถ้าเป็นของสมบัติของคู่กันก็เราทำเขาก็ได้แต่เขาก็ต้องมีความยินดีร่วมด้วยถ้าเขาไม่ยินดีเขาเสียดายเขาก็จะไม่ได้บุญส่วนนั้นเขาก็คุณค่ะเดยได้ก็ได้น้อย คำถามจากทางบ้านจากคุณนิชชาภาอุเบขาช่วยให้โยมอยู่ทางโลกได้โดยไม่อึดอัดแต่บางครั้งโยมคิดว่าทางโลกดึงโยมให้เนิ่นช้าในทางธรรมเสียเหลือเกินในรอยต่อระหว่างทางโลกและทางธรรมนี้เป็นร่องที่ต้องประคองตนอย่างไรดีคะจึงจะไม่ถูกมองว่าเพียนเรื่องการถูกมองว่าเพียนนี่อย่าไปกังวลเลยเขาต้องมองว่าเราเพี้ยนแน่ เพราะโลกกับธรรมนี่มันคนทางกันคนทางธรรมก็จะมองเห็นทางโลกว่าเพี้ยนแต่คนทางธรรมมีสติเมืเ่อจริงไม่ค่อยพูดออกมาเท่านั้นเองแต่คนทางโลกไม่มีสติกันพอเองคนอื่นแปลกกับเราก็ไปว่าเขาเพี้ยนนะโดยที่ไม่พิจารณาตัวเองว่าตัวเองนี่ที่จริงแล้วเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนกันนะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราเอาอะไรเป็นหลักเปรียบเทียบ ถ้าเรามาตรฐานทางโลกเป็นหลักคนที่ไม่ยึดหลักมาตรฐานของทางโลกก็ถือว่าเพี้ยนไปคนที่ไม่ยินดีในราบยศสารเสริญก็จะว่าเพี้ยนไปแต่ถ้าเอาหลักทางธรรมคนที่ไม่ยินดีในราบยศสารเสร็ญก็ถือว่าเป็นคนไม่เพี้ยนเป็นคนมีปัญญาเป็นคนฉลาดดังั้นในเรื่องของความคิดความรู้สึกของผู้อื่นนี่เรา อย่าไปกังวันน้อมรับมาเถิดก็อยู่ในโลกนี้มันต้องมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเป็นธรรมดาหนีไปไม่พน้นแม้แต่พระพุทธเจา้าพระอานารก็ยังต้องเจอคําสรรเสริญคํานินทาอยู่ดีนั้นเรื่องนั้นไม่สัมพันธ์สำคัญที่ใจเราขอให้เราประคข้ประคองใจด้วยสติปัญญาไปให้เรามีสติคอยกําจัดความคิดต่างๆว่าให้สักแต่ว่ารู้ไปให้อยู่กับพุโทโธไป เวลาได้ยินได้ฟังอะไรไม่ถูกใจก็อย่าไปสนใจอย่าเอามาคิดปล่อยมันไปมันพูดปับ๊บมันก็หมดไปแล้วแต่เราไปดึงมันกลับมาคิดอยู่นั่นถ้าเรามีสติคาํคาพูดต่างๆที่เขาพูดนี้พูดปับ๊บมันก็ผ่านไปแล้วบางทีลืมไปเสียด้วยซ้ํำไปถ้ามีสติดีๆใจตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ใครพูดใครด่าอะไรปั๊บเดียวผ่านไปแล้วลืมไปแล้วเพราะไม่ไดเอามาคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่เหมือนกับเทพที่เรากดรีวายอยู่เรื่อยๆ กดมันกลับมาฟังมันอยู่เลยเวลาเราไปคิดถึงคําพูดที่ไม่ถูกใจเราเขาพูดเพียงคําเดียวแค่ไม่กี่วินาทีตั้งแต่เช้ามาแล้วเย็นก็ยังคิดอยู่นั่นไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่มีสติเน้นพยายามเจริญสติอยู่ได้เรื่อ ย, อยแล้วก็พิจารณาปัญญาด้วยปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นอดีตไปแล้วทุกอย่างพอเกิดขึ้นปับ๊บมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว อย่าเอามาคิดให้เสียเวลาห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะคิดอย่างไรเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งใจของเราไม่ให้ไปคิดถึงมันได้เมื่อเราไม่คิดถึงมันเราก็จะสบายใจคำถามจากคุณสมพิษอดีตหนูนับถือองค์ทรงเจ้าบนบานสารกล่าวแต่ได้สังเกตตัวเองว่าละโกรบโกรดหลงไม่ได้เบาบางลง พอได้มาปฏิบัติตามคาสอนของพระอาจารย์ได้พิจารณาตามแล้วได้รู้ว่าเหตุที่เราเบื่อเราทุกเกิดจากความอยากและไม่อยากทุกวันนี้ก็หันมาถือพระรัตนาตายเป็นสารณะอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะใช่คำถามจากผู้ฝากถามโยมมีอาคารพาณิชย์อยู่สองห้องแล้วมีต้นโพขึ้นที่ด้านหน้าสูงสองเมตร ทำให้กีดขวางจะตัดหรือจะเคลื่อนย้ายได้ไหมครับเพราะเหตุค <c oughs> <ท>ำถามจากคุณชนิชาถ้าลูกน้องทําผิดพลาดแต่เราแค่ถามเฉยๆแล้วเขาขึ้นเสียงดังตะอคอกใส่เราควรทําอย่างไรดีคะก็ <c oughs> ปล่อยให้มันผ่านไปเราไม่หน้าที่บอกความผิดของเขาก็พอเขาจะพอใจไม่พอใจเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นหน้าที่ ที่เราต้องบอกก็ต้องบอกไปเตือนเขาไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ทำผิดซ้ำซากเพราะว่าถ้าเขาทำผิดซ้ำซากมันก็จะเกิดความเสียหายได้คำถามจากคุณป้าสุมีถ้าตั้งใจบวชโดยไม่มีกำหนดสึกอยากจะไปอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับก็ที่วัดนี้ก็รับการบวชอยู่แล้วตลอดเวลาทุกเดือนจะมีวันที่กาหนดให้บวชกัน ส่วนบนแล้วจะอยู่ได้นานหรือไม่นานนี้ก็แล้วแต่และบุคคลคำถามจากคุณตันสิตาอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณมากกว่าพ่อแม่เพราะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่เราอยากต้องดูแลท่านอยู่แม่เคยปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้มีโรคประจำตัวพ่อก็ต้องดูแลเลยไม่ได้ทำทั้งคู่ ตอนนี้ท่านจะติดดูทีวีละครต่างๆบางทีก็บอกให้ฟังทำบ้างตอนนี้คือเวลาท่านดูทีวีเราก็จะเข้าห้องฟังธรรมแต่มันเหมือนเราห่างเหินกับท่านไม่รู้จะทำอย่างไรวางใจอย่างไรดีค่ะ เ, เรื่องห่างเหินแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายเพราะมันเรื่องของความสนใจความพอใจของแต่ละฝ่ายเขาสนใจกับการดูหนังดูละครก็ปล่อยเขาดูไป เราสนใจกับการฟังเทศฟังธรรมเราก็ไปฟังของเราส่วนเรื่องของร่างกายเราก็ยังอยู่ใกล้ชิดกันดูแลกันอยู่แต่เรื่องของจิตใจนี้มันก็ต้องเป็นไปตามความพอใจความชอบใจของแต่ละฝ่ายไม่ควรที่จะไปบังคับกันเพราะจะทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นได้ทำอย่างนี้ก็ถูกแล้วถ้าเราไม่ชอบดูละครเราก็ไปนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมของเราไป เขาชอบดูละครก็ปล่อยเขาดูไปไม่ใช่ไปชวนให้เขามานั่งสมาธิกับเราหรือเขาชวนให้เราไปดูละครกับเขาถ้าทำอย่างนี้แล้วบังคับกันมันก็จะทำให้เกิดความอึดอัดใจขึ้นมาได้นะไม่ถือว่าเป็นการห่างกันในเรื่องของจิตใจนี้มันห่างกันเพราะความความเห็นท่านเองใครมีความเห็นถูกต้องกับค น, คนที่ไม่มีความเห็นถูกต้องมันก็ต้องอยู่กันคนลฝั่งคนละฝ่ายอยู่แล้ว แต่ถ้ามีความเห็นถูกต้องก็จะอยู่ใกล้ชิดกันนะคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้ฟังหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมเรื่องพรมวิหารสี่เรื่องเมตตากรุณาอุเบกขาพอเข้าใจคะ่ะแต่เรื่องมุทิตาช่วงที่ท่านเทศว่าการยินดีกับความเจริญและความสุขของผู้อื่นเราทำได้ไหมเวลาคนอื่นเขามีความสุขจากการได้สามีของเราไป อย่างนี้เราจะมุทิตาได้หรือเปล่าเรียนถามว่าการที่เราไปยินดีกับความสุขของผู้หญิงที่เขามาได้สามีเราไปหรือสามีเรานอกใจเราที่พวกเขาทำผิดตเวนีอยู่เท่ากับเราไปยินดีกับการที่พวกเขาทำผิดศีลเราจะผิดศีลหรือบาปไปด้วยหรือเปล่าเหมือนกับที่เราไปยินดีกับคนที่ฆ่าสัตว์เราก็จะผิดศีลไปด้วยหรือเปล่าคะ เราไม่ได้เป็นผู้กระทำเราไม่มีความผิดผู้ผู้กระทำเท่านั้นที่เป็นผู้ผิดศีลการที่เรามีความยินดีก็เพื่อที่จะลบล้างความอิจฉ้าฤษยาหรือความไม่พอใจที่เป็นภัยต่อจิตใจของเราแต่ถ้าเรายินดีแล้วเราก็จะมีความสุขไปกับความสุขของเขาถึงแม้ว่าการกระทำของเขานั้นเป็น การกระทาที่ไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องเป็นผู้ไปรับผลต่อไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราที่เรามีมุติตาจิตนี้เพื่อมาแก้ปัญหาใจของเราใจของเราที่ไม่พอใจกับความสุขของผู้อื่นเพราะเขาแย่งเอาความสุขจากเราไปแต่ถ้าเราอยากที่จะกำจัดความไม่สบายใจไม่พอใจ น, นี้เราก็ต้องยินดีไปกับความสุขของเขาถือว่า มันเป็นเรื่องของเขาเขามีความสุขเราจะไปทุกข์กับเขาทำไมเราสุขกับเขาไปไม่ดีกว่าเลยที่เราให้เล่นกีฬากันก็เพื่อฝึกมุติตาจิตนี่แหละอย่างที่เวลาเราแพ้เราจะได้รู้จักทาใจยินดีกับผู้ชนะแต่สมัยนี้เรื่องน้ำใจของนักกีฬาหายไปหมดเลิมเจตนาของการเล่นกีฬาว่าเพื่อเป็นการฝึกใจให้รู้จักมีมุติตาจิต กลับไปเอาแต่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวกันก็เลยกลายเป็นกิเลสไปคุณผู้ชใช้อุเบขาได้ไหมคะอูเบคขาก็ใช้ได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะไปะถ้าเราไม่มีความรู้สึกอะไรกับความสุขความทุกข์ของเขาเราก็ทำใจเฉยๆไป ใช้อุเบกขาก็ได้ถ้าใช้มุติตามไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปแต่บางทีใช้มุติตา ม, มันดีเพราะว่าเราจะได้มีมิตรคือเวลาเขาได้รับความสุขความเจริญเราเอากระเช้าดอกไม้เข้าของไปแสดงความยินดีเขาก็จะคิดว่าเราเป็นมิตรกับเขาถ้าเราอยู่เฉยๆอุเบกขาก็ก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับเขาก็ได้ก็ต้องดูดูผลที่เราต้องการ คำถามจากคุณโจกตอนนั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์นั่งกันหลายคนและกำหนดเวลาในการนั่งภาวนาดีมากจิตสงบแต่ต้องเดินทางมาไกลเลยนั่งเองที่บ้านกำหนดเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงแต่นั่งไม่นานก็จะลำคาญแบบสุดๆทั้งแขนทั้งขาคือเข้าใจว่าเกิดความวิตกวิจารและต้องลืมตาตามาตั้งหลักใหม่ และอาการในการนั่งเหมือนงงงนั่งเสร็จแล้วจำไม่ได้ว่าแต่ละช่วงเวลาเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ลดรละพยายามทำทุกวันถามว่าทำอย่างไรให้เลยขั้นวิตกวิจาร์ได้ครับปกตินั่งแป๊บเดียวก็ปิติสงบแต่ตอนนี้เหมือนลำคาญมือเท้าแขนขาหมุดหิดครับเพราะว่าไม่มีสตินั่นเองต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่จะมานั่ง วันไหนที่เรามีสติสังเกตดูเวลานั่งมันจะสงบง่ายจะสงบเร็ววันไหนเผลอสติปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธินี้นั่งไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นความสําคัญอยู่ที่การเจริญสติก่อนที่จะมานั่งอย่ามาเจริญสติตอนที่นั่งเพราะว่ามันจะไม่พอเวลาจะไม่พอกําลังของสติจะไม่พอ นั่งไปไม่นานเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจเจริญสติก่อนที่เรามานั่งมันจเจรินสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอ ล, ลืมตาขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนเลยเอาสตินี้เป็นงานสําคัญกว่างานทางร่างกายพอลืมตาขึ้นมาก็บอกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีสติอยู่ตรงไหนอยู่กับอะไรอยู่กับพุโทโธแล้วอยู่กับร่างกายก็ว่าไป อ ย, อยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอยู่กับร่างกายก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปฝึกทำอย่างนี้ไปแล้วต่อไปมันจะอยู่กับตัวมันจะไม่ตล่อยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะสงบง่ายคำถามจากผู้ฝากถามข้อแรกคนที่ไม่ค่อยมีน้ำใจเลือกเฟื้อเผื่อแผ่เขาจะคำนึงถึงประโยชน์ตนก่อน แม้ว่าการกระทาของเขายังไม่ถึงขั้นเบียดเบียนใครแต่ก็ไม่เสียสละอย่างนีเ้เขาจะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงความสงบของใจได้ไหมคะเขาขาดความเมตตาซึ่งถ้าไม่มีความเมตตาแล้วการเจริญทางด้านจิตใจนี้จะเป็นไปได้ยากความเมตตานี้เป็นพื้นฐานของการเจริญธรรม ถ้ามีเมตตาแล้วก็จะทําทานได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ถ้าขาดความเมตตาจิตก็จะมุหมกมุ่นอยู่กับการหาประโยชน์ใส่ตัวเองไม่ยอมทําทานเมื่อไม่ทําทานก็จะรักษาศีลได้ยากรักษาศีลยากก็จะไม่สามารถที่จะภาวนาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาทางธรรมนี้จะต้องเจริญเมตตาภาวนาเป็นพื้นฐานจิตใจต้องมีความ เมตตากรุณาเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีการเสียสละมีการแบ่งปันถ้ามีแล้วการทําทานก็จะง่ายเมื่อทําทานได้การรักษาศีลก็จะง่ายรักษาศีลได้ก็จะรักษาศีลแปดได้ศีลห้าได้ก็จะรักษาศีลแปดได้มีศีลแปดก็จะภาวนาได้นะ ยังต้องพยายามเจริญเมตตาอยู่เรื่อยๆถ้าเราเป็นคนที่ใจแคบใจดำออคิดแต่ประโยชน์ใจ ต, ตัวเองไม่คิดประโยชน์ของผู้อื่นเลยแต่ก็ต้องมีขอบเขตไม่ใช่มัวแต่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นจจริน ม, มาทำประโยชน์ของตนเองอันนี้ก็มากเกินไปอย่างพระโพธิสัตว์นี้ท่านจะหนักไปทางมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นจนไม่ยอมมาทาประโยชน์ของตน อย่างหลวงปู่มั่นเคยได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็มุ่งประโยชน์ของผู้อื่นบวชมาตั้งหลายปีท่านก็ยังไม่สําเร็จจนถึงอายุหกสปีได้ท่านบอกว่าพอละเรื่องการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นประโยชน์ของตนยังไม่ถึงพร้อมท่านก็เลยไปปลีกไม่เวกอยู่คนเดียวที่เชียงใหม่อยู่สิปีแล้วก็ไปบรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่นั่นนั่นแหละเพราะว่าเดิมท่านเคยมีจิตปรารถนาพุทธภูมิน พุทธภูมินี้ก็ต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานต้องยินดีทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นระว่างประโยชน์ของตนกับประโยชน์ผู้อื่นนี้จะทําประโยชน์ของผู้อื่นก่อนซึ่งขัดกับคําสอนขั้งสุดท้ายของพุทธเจ้าที่ทสอนว่าให้ทําประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นไมโครโฟนใช่ไหมเลือกไม้นี่ยังดังอยู่เครื่องนี้หมดกําลัง คิดว่ามีคำถา ม, มอีกไหมเอาว่ามาเลยข้อสองการกระทาที่เป็นประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่จะได้ผลนั้นต้องไม่ยุ่งไม่สนใจใครไม่ทาภารกิจอื่นนอกเหนือการดูแลร่างกายที่อยู่อาศัยตามสมควรคำว่าภารกิจอื่นนี้มีขอบเขตมีวิธีพิจารณาไหมคะว่าทาแค่ไหนถึงจะไม่เข้าข่ายละเลย ประโยชน์ส่วนรวมจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าเรามีหน้าที่เกี่ยวกับส่วนรวมมากน้อยเท่าไหรแล้วก็ทำไปเท่าที่จำเป็นอย่าไปทำมากกว่าความจำเป็นก็แล้วกันถ้าอยู่ร่วมกันมีหน้าที่ต้องต้องทำกิจวัตรร่วมกันก็ทำไปแต่ถ้าคิดว่าการทำหน้าที่ร่วมกันนี้เป็นอุปสรรคต่ อ, อการภาวนาบางครั้งก็ต้องไปปีกไ้เวงไปอยู่คนเดียว อย่างคูบาอาจารย์อย่างหลวงหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็เห็นว่าการทําภารกิจส่วนรวมมันทําให้ทําให้มาเอาเวลาของการทําประโยชน์ส่วนตนมากไปก็เลยต้องหนีไปปีกเว่ว์อยู่คนเดียวพระปฏิบัติต่างๆที่ออกไปทุ่งตรงกัน mm hmm. เหตุผลส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะไปเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติประโยชน์ของตนได้อย่างเต็มที่เพราะเวลาอยู่ที่วัดมันมีหน้าที่การงานหลายอย่างที่จะต้อง เกี่ยวข้องต้องที่จะต้องทํากันถ้าไม่ทําก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไปดังนั้นผู้ปฏิบัติก็บางครั้งต้องใช้ปัญญาพิจารณาช่างน้ําหนักดูว่าสถานที่ที่เราอยู่นี้ให้เวลากับการปฏิบัติของเราได้มากน้อยเพียงไรถ้าคิดว่าไม่พอเพียงเราก็ต้องไปหาที่ใหม่ที่ทําให้เรามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นคําถามหมดแล้วนะ